เพราะฉะนั้นในอัตถกาถาท่านอธิบายบทว่าแสดงความว่าเมื่อบุคคลที่พอพอกันเป็นผู้รับอาบัติก็ไม่รอว่ากลางวันหรือกลางคืนที่ไปที่อยู่ของที่สุ่ที่พอพอกันนั้นแม้ในกลางคืนประกอบด้วยองคศีแสดงทีเดียวเนี่ยนะคำว่ากลางคืนประกอบด้วยองคศีนี่เป็นยังไงก็บอกว่าอยู่ในป่าอยู่ในป่ามป่าลึกกันนะในป่าลึกด้วย กลางคืนเวลาเที่ยงคืนด้วยแล้วเวลานั้นเป็นคืนข้างแรมข้างแรมเดือนขาดพอดีเป๊ะเลยเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้าอย่างเงี้ยนะเรียกว่าความมืดประกอบด้วยองค์4ขนาดนั้นท่านอย่างไปถ้าในฐานะที่ไปแสดงได้ท่านจะไม่เก็บให้รอสว่างก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าอยู่ในฐานะที่แสดงได้เป็นต้นถ้ารอให้สว่างก่อนไปแสดงเป็นอบัิเพิ่มอีกตวงโทษฐานที่ปิดนเนีย เป็นเพิ่มเพรา ะ, ะนั้นท่านจะรีบไปแสดงคืนอันนี้เนี่ยจิตใต้สํานึกสามัญยสํานึกที่สูงขนาดนี้จะเป็นสําหรับพระพระโสดาบันไปแล้วพระโสดาบันจะมีจิตใต้สํานึกที่มันมีมีความมั่นคงในสิกขาของภาษาสดาขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าท่านรู้รอยู่นี่ให้ท่านล่วงละเมิดเนี่ยคนในพระดายวิโดกที่พระอริยะรู้อยู่แล้วยังเป็นอบัติยังละเมิดอยู่เนี่ยนะของอามา ย, ยังศึกษาไม่พบเลยมีแต่พบว่า สาวกของพระสมณะโคดมเนี่ยนะรู้ว่าศิษขาบทใดที่พระสมณะโคดมบัญญัติแล้วแม้จะตายก็ไม่ยอมล่วงละเมิดอาบัติอันนั้น่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อความแบบนี้พบมากว่างั้นหรืออีกอย่างหนึ่งเ็าบอกว่ามาหาสมุทรเนี่ยไม่ล้นไม่เลยฝั่งมาชั้นใดใช่ไหมอัศจรรย์ข้อหนึ่งของมาหาสมุทรคือไม่เคยมีทะเลเนี่ยนะทะลักออกมาล้นฝังว่างั้นอยู่ๆน้าทะเลมาท่วมอย่างเงี้ยไม่มีเพราะอะไร เพราะว่าเป็นธรรมดาของทะเลเช่นนั้นเนี่ยความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของสมุดเขาบอกว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้ารู้ว่าอะไรเป็นศิก ข, ข้าบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วก็จะไม่ล่วงละเมิดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตว่างั้นรักษากุศลศีลอันนี้ได้อย่างมั่นคงถามว่าทําไมท่านจะต้องรักษา ม, มากขนาดนั้นเพราะศีลอันนี้ช่วยถางชัดอันดันได้เนี่ยนะศีลอันนี้เนี่ยช่วยทําให้ท่านเนี่ย บรรลุมรรคผลนิพพานได้ช่วยนะไม่ใช่ว่าจะบรรลุแค่ศีลอย่างเดียวบรรลุไม่ได้แต่ช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นข้อความในดีกาบอกว่าศีลทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็จะออกจากอบัตเล็กๆแ ล, ล, ลน้อยเหล่านั้นโดยพลันเลยไนงะไม่รีงไม่เรียกว่าไม่รีบรอ้อไม่รัง้งรอเลย เพราะเหตุนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายด้วยตถาสัพในคําว่าตทาสกทาคามีย่อมชักคํานี้ว่าสีเลสุ ป, ปริปุริปุริปุริการิมาก็คือพระสกธาคามีก็ทําให้ศีลบริบูรณ์เหมือนการทําศีลให้บริบูรณ์เหมือนกันก็พระอริยะสองจำพวกเหล่านี้คือพระโสดาบันกับพระสกธาคามีนี่แม้เมื่อเจริญสมาธิและปัญญา เพราะเหตุที่ท่านยังถอนไม่ได้โดยประการทั้งปวงซึ่งการมราฆะและพยาปาทะซึ่งเป็นอันตรายต่อสมาธิและโมหะตัวปกปิดสัจจะซึ่งเป็นอันตรายต่อปัญญาก็ย่อมกระทากิจที่พึงกระทำในสมาธิและปัญญาแต่พอประมาณแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปกติทาโดยประมาณในสมาธิและปัญญาท่านก็เรียกว่าสีเลสุ ปริปูริการิโนแปลว่าเป็นผู้มีปกติกระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเหมือนกันน ะ, ะที่ท่านไม่สามารถทำสมาธิให้บริบูรณ์เพราะท่านยังมีกามราฆะและปฏิฆะกามราฆะและปฏิฆะเป็นปฏิปักต่อสมาธินะแล้วท่านยังไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเพราะท่านยังมีโมหะอยู่แต่ศีลของท่านก็บริบูรณ์นะนี่ลักษณะของพระ โซดาบันกับพระสะกฤคามีส่วนพระอนาคามีเชื่อว่ามีปกติกระทําให้บริบูรณ์ในสมาธิเพราะถอนกามาราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดเพฟันท่าอนาคามีเนี่ยนะไม่มีการมาราคะเป็นเหตุให้สมาธิท่านฟุ้งไม่มี น, นะพยาบาทเป็นเหตุให้ท่านโกรธใครแล้วมาเจริญสมาธิต่อไม่มีเพราะพระอนาคามีจะไม่โกรธเหมือนเมื่อวานที่กล่าวไปใช่ไหมถึงข่าท่านยังไม่นึกโกรธคนข่าท่านเลยแต่ว่าท่านสงสารคนฆ่า คนฆ่าท่านน่ะนะสำหรับท่านที่เป็นท่านาคามีเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ท่านมีโทสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเขา่าไพระอรหันต์ชื่อว่าทำให้บริบูรณ์แล้วในปัญญาเพราะถอนโมหะได้โดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเพราะบริบูรณ์ในศีลสมาธิและปัญญาเลยนะพระอรหันต์เนี่ย สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าคือตรัสที่ไหนตรัสไว้ในทูติยะเสขาสูตรอังคุตระนิกายติกานิบาตเล่มที่ของเรานะเก้าเล่มเล่มที่34ข้อ526กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทําพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทําพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงศิกขาบทเล็กน้อยบ้าง นะคื อ, คอยังไงท่านก็ไม่ล่วงปาราชิกะนะแต่ว่าที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยด้วยความไม่รู้เป็นต้นเนี่ยนะอาจจะทำให้ท่านล่วงได้ย่อมออกจากอบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพในเพราะล่วงสิกขาบทนี้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดนั้นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์สมควรแก่มรรคพรหมจันทร์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน คือมีศีลเป็นประจำและเป็นผู้มีศีลมั่นคงในศีขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในศกขาบททั้งหลายเธอเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชนมหมดสิ้นไปเป็นผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพระโสดาบันนี้ไม่มีการตกต่ำอีกแล้วที่จะไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกโดยปฏิสนธิโดยกาเนิดโดยคติไม่มีซากอย่างเท่านั้น ท่านจะไม่ตกต่ํากว่ามนุษย์อีกแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้เที่ยงคําว่าเที่ยงนี้หมายความว่ามรรคของพระโสดาบันไม่มีเสื่อมอีกแล้วนะนะโสดาปฏิมรรคท่านจะไม่มีการเสื่อ ม, อมแปลว่าไงโสดาปฏิมรรคเกิดขนาดจิตเดียวคือท่านจะไม่ตกจากความเป็นพระโสดาบันแล้วว่างั้ น, นเถอะคุณธรรมเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นกําเริบตกเลยเป็นปุถุชนคืนอันนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่เที่ยงคือแน่นอนว่างั้น นิยโตสัมโพธิปรายโนวังันเป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้ามักมักเบื้องบนเนี่ยนะคือสกท า, าคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักของท่านแน่นอนยังไงท่านบรรลุแน่นอนเนี่ยนะท่านจะถ้ามาเป็นมนุษย์นะจะไม่เกินเจชาติอีกต่อไปโดยการปฏิสนธินะมาเป็นมนุษย์ไม่เกินเจชาติชาติที่7็ดยังไงต้องบรรลุแน่นอน ดูการพิสูจน์ทั้งหลายก็พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทําพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทําพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพในเพราะล่วงสิกขาบทนี้ แปลว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลอย่งยืนและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอเป็นภระสกะทาคามีเพราะสังโยศสามหมดสิ้นไปและเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางจะมาโลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้นะ พสกาทาคามีเนี่ยราคะโทสะท่านเบาบางคําว่าเบาบางแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่หนานแน่นบางทีเอออัตฉริยะมันอธิบายก้ฟังเลยก็เอเขาบอกว่าเดินคืออะไรคือไม่ใช่นั่งไม่ใช่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ยืนเขาวางนั้นเรียกว่าเดินเออฟังแล้วเข้าใจเลยนะบางทีท่านก็มีวิธีการขยายที่เราเออทึงทึงนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเบาบางคืออะไรคือไม่แน่นหนาไม่หนาแ น, น, น่นนะ เขาบอกว่าเปรียบเหมือนชิ้นแห่งเขาเรียกว่าชั้นแห่งแผ่นเมฆนะเมฆไม่นานะเมฆบางๆนะนะเบาบางแบบนั้นนะเหมือนปุ๋ยเมฆบางๆหรือว่าไงหรือเปรียบเหมือนตีกมแมลงวันท่านจะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวคาว่ามาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวคือพระสกาธาคามีนี่มีหลายประเภทนะพระสกท า, าคามีที่ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วบรรลุในเทวดาพระสกาธาคามีที่ ปฏิบัติแล้วบรรลุเป็นพระอนาคามีพระอรหันต์ไปเลยเนะี่ยไม่เรียกว่าพระสกท า, าคามีแบบนี้คําคว่าพระสกท า, าคามีเฉพาะเนื้อความที่อธิบายหมายถึงพระสกท า, าคามีที่ท่านมาเกิดในโลกนี้นะส่วนพระสกท า, าคามีแบบอื่นๆไม่เรียกถามว่าพระ เ, เจ้าเป็นพระสกท า, าคามีไหมเป็นอยู่ช่วงหนึ่งเป็นไม่นานเป็นเหมือนกันแต่อย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าพระสกท า, าคามีใช่ไหมเพราะ ผ่านไปไม่นานนะนะเดี๋ยวก็ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงแต่ก็พระระยะทุกท่านเนี่ยนะที่เป็นพระอรหรันต์หรือพระนาคามีท่านเหล่านั้นจะต้องผ่านความเป็นพระสกท า, าคามีเหมือนกันแต่สกท า, าคามีตรงนั้นไม่ไม่ประสงค์เอาณที่นี้เคำว่างนันอันนี้ตามอัตกาธามัชฌิมนิกายอธิบายอย่างนั้นดูกระพิสูุทั้งหลายก็ภิสูจนในธรรมะพี่ในนี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในสมาธิ เป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นเพราะเห่ไรเพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพในเพราะล่วงสิกขาบทนี้แต่สิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรันทร์สมควรแก่พรหมจรรันทร์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอเป็นผู้ผุดขึ้น เป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคือท่านจะไม่มาเกิดในต่ำๆแบบนี้แล้วนะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาโดยกำเนิดโดยคตินี้ไม่มีแล้วเพราะโอรัมพาคยะสังโยตห้าหมดสิ้นไปนะสกายทิฐีวิจิกิจชาสีละพะัตตปรามาตกามราคาปฏิฆาของพระอนาคามีหมดสิน้นนะเพราะว่าท่านนี้ทา ศึกษาบทเหล่านั้นให้บริบูรณ์ข้อความกะละนะสมาทานศึกษาอยู่ในศิกษาบททั้งหลายพิสูจน์นั้นเพราะสิ้นอาสะวะทั้งหลายก็ความกะละจนถึงเข้าถึงอยู่เนี่ยนะนี่ก็กล่าวถึงพระอริยะนะว่าศีลเนี่ยนะทำให้ความเป็นพระโสดาบันบริบูรณ์ทําให้เป็นพระสกท า, าคามีบริบูรณ์สมาธินี่ทําให้ความเป็นพระนาคามีบริบูรณ์ปัญญาทําให้ความเป็นพระอรหันต์บริบูรณ์เห็นไหม อันนี้ก็ข้อความส่วนนี้นะส่วนอันนสรุปว่าก็ด้วยพระเทศนาเพียงเท่านี้เทศนาเพียงเท่านี้คือเทศนาเท่าไห น, นะเทศนาเพียงเท่านี้เนี่ยคือเทศนาไหนเทศนาในหน้าสิบสองอ่ะหรือหน้าแรกก็ได้ว่าสีเลปฏิทายานโรสปัญโยนั่นแหละด้วยเทศนาเพียงเท่านี้อ่ะก็คือเทศนาที่ว่า นรผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญาอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีความฉลาดเป็นภิกษุเขาจะพึงถางชัดนี้ได้ น, นะด้วยเทสนาเพียงเท่านี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศคุณเก้าอย่างเหล่านี้แล้วว่างั้นเถอะคุณเก้าอย่างคืออะไรคือที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละคือสิกขาสกลุ่มที่1 น, นะ 2. ศาสนามีความงามสามประการสา อุปนิสัยแห่งคุณวิเศษมีความเป็นผู้ได้วิชา3าเป็นต้น 4. การเว้นส่วนสุดทั้ง2และการเสพข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางต่อไปนะ 5. อุบาย9ล่วงพบเมียบายเป็นต้นและการละกิเลสโดยอาการ3อย่าง 7. ธรรมะอันเป็นปฏิปักต่อวีติกมกิเลสเป็นต้น 8. การชำระสังกิเลส3อย่างและ9นะ เหตุแห่งความเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นโดยประการดังกล่าวมาแล้วนี่อ น, นะแค่เทศนาเพียงเท่านี้ น, นะสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยเนี่ยโอ้ท่านสงเคราะห์มาให้เก้าอย่างและคุณหมวดสมอื่นๆเช่นเดียวกันนะท่านยังพูดเผื่อไว้อีกนะท่านท่านไม่ได้บอกว่าเท่านี้นะไม่ใช่แก่9้าหมวดนะยังมีอีกมีอีกเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งแต่ก็วันนี้คงไม่ทันนั่นแะไอ้มีอีกคงจะเป็นพวงนี้แนละ้วะ อีกต่อจากนี้คืออะไรตรงนี้แหละนักเรียนใครมีดีกาก็ทำการบ้านได้ไม่มีก็ทำไม่ได้จะแล้ว <c oughs> เวลาเป๊ะเลยอ่าหนึ่งนะกลางคืนประกอบด้วยองค์สีหนึ่งในป่ามืดสองคืนข้างแรมคืนข้างแรมนะสามเที่ยงคืนสท้องฟ้านี่มืดครึมไม่มีดวงดาวแม้แต่ดวงเล <c oughs> นนในความมืดประกอบด้วยองค์สีเงาผู้มันเดินไม่ถูกกันนะใครเคยอยู่ป่าแบบนั้น <c oughs> เดินไม่ถูกเลยลืมตามองอะไรไม่เห็นสักกังเลย <c oughs> มีตาเหมือนไม่มีตาเลยนะ